ลูกลรักทั้งหรายสำหรับตอนนี้ก็อยากขอพูดกับลูกคือว่าเป็นเรื่องที่จะแปลความดีกันตอนนี้แล้วเราก็มาถึงกันสามแยกประจวบเดินทางเข้าไปยังไม่ถึงคลองวานเวลาก็หมดวันนี้เดินทางต่อไป พันเข้าไปถึงบ้านพันถนดเอกเล็กพอตีก็มีท่านทั้งสองคือสองตาใหญ่บ้านนี้สวยสดกดงามมากบริเวงก็สวยบ้านก็สวยสถานที่กรมมรื่น อ, อยู่ชายทะเลเสียงเครื่องก็ต้องังซาซาาอ ย, อยู่ตลอดเวลา แล้วก็มีบ้านของน้องพันยาพันาพันตรดเอกเล็กอีกคนหนึ่งลูกไว้แต่ว่าท่านเจ้าของไปทำงานอยู่ที่ประเทศอาหรับเป็นบ้านว่างเฉยๆใหญ่โตวสวยงามมากเป็นบ้านชั้นเดียวน่าอยู่น่าอาศัยแต่บ้านมากมีคนน้อยแล้วก็แต่ถ้าว่าคนนาย สมพิษได้ส่งลูกสาวแล้วก็นำคณะมาช่วยบริการในความเป็นอยู่ในการพักผ่อน่ความจริงการเดินทางของเราคราวนี้คณะของเราทั้งหมดมีรถครัวไปด้วยหวังจะช่วยตัวเองมากกว่าที่จะเบียดเบียนเจ้าของบ้านแต่ถ้าว่าท่านเจ้าของบ้านผู้ใจดี ก็จัดงานทุกอย่างเสร็จจนหมดเหมือนกันเรื่องอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยมีความสุขมีความสมบายอย่างยิ่งก็เ ร, เรียนว่ายากที่จะหาที่อื่นเกินได้จะมีเทียบเคียงกันได้ก็ที่อ่าวไข่จังหวัดระยองคือบ้านของคุณป้าสงเสงี่ยม บ้านคุณป้าเสงี่ยมมีความสุขใกล้ทะเลชิดทะเลเช่นเดียวกันแต่การไปพัที่นั่นทังจะของบ้านกับบริการเต็มตัวสดเวียงสำหรับเรื่องการให้ความสะดวกอาหารการบริโภคก็มีคนสมบูรณ์เวสาลชานนและคุณวันดีเวสาลชานนพร้อมด้วยนนะให้ความสะดวกสบายทุกอย่างน้าจืดไม่มีก็ไปซื้อมาให้ อาหารทุกอย่างบอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันเอ้บปนนมาบ้านั้งสองบ้านนี้เป็นปัจจัยแห่งความสุขมากเพราะติดทะเลพ่อมองกระแสะคึื่นที่มาเคลื่อนเข้ามาจากทะเลขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นในตอนนี้พระบาทสมเด็จเจ้ยหัวเคยตัด ว่าเรื่องคลื่นนี่ผมก็ชอบรู้จักขึ้นได้ดีก็เพราะอาศัยเล่นเรือใบเห็นคลื่นที่มันขึ้นแล้วมันก็จมหายไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่ขึ้นลูกก่อนหมดไปขึ้นลูกใหม่มาแทนไม่ใช่ลูกเก่าทำระยาเงี่ยยี่เรื่อยๆไปด้วย า, าเห็นคลื่นในทะเลติดต่อกันเสมอในที่สุดก็มก่กระทบฝั่ง ท่นเมื่อมองดูตัวของเราเห็นว่าถ้าลมให้ใจยังทรงอยู่ที่เรียกได้ว่าผัดสาหานและหันยังทรงอยู่ที่เรียกได้ว่ากัลยาวลิงเวลาหารร่างกายมันก็ทรงอยู่ได้คล้ายกับคลื่นในทะเลคลื่นในทะเลถ้าลมยังมีอยู่เพียงใดคลื่นก็จะมีเพียงนั้นถ้าลมหมดไปมไื่ไรคลื่นก็หาย มันก็ร่างกายของเราถ้าหมดลมซิ้มอะไรก็คิดว่าตายพ่อก็มองต่อไปคิดว่าชีวิตของเรามันคงจะไม่ทรงอยู่นานเมื่อเวลานี้ร่างกายมันเก่าแล้วก็ผผมากที่ไปไหนไปได้ีนอาศัยกำลังใจเป็นเครื่องค้ำจุน ถ่ากายกำลังใจเป็นเครื่องคําจนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเราจะไม่มีสภาพทรงตัวอยู่ได้หรือว่าร่างกายมันจะพังจึงไม่ยืนมองดูคลื่นอยู่ในห้องที่พักเพราะเป็นห้องที่มีหน้าต่างเป็นกระจกมองได้ถนัดมองดูคลื่นที่คัดจะมาหาฝั่งสลายตัวไป ก็มาคิดถึงร่างกายว่าเวลานี้มันแก่มากสงสารลูกรักที่มีความดีพระบรรดาลูกทั้งหลายควจะคิดว่าที่พึ่งใหญ่ของเธอนี้ก็คือพ่อแต่ลูกจงจะลืมว่าที่พึ่งจริงๆที่ลูกจะพึ่งได้ก็คือธรรมะขององค์สมเด็จตัษมาสัพพุธเจ้าวที่พ่อได้ศึกษามา แล้วก็ปฏิบัติมามันก็พอมีผลตามที่กำลังของพ่อจะพึงทำได้เวลานี้พ่อจะมีผลที่ไหนพ่อก็ตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าใคยดูลีลาของพ่อแล้วก็รู้สึกว่าหนึ่งอาจจะเป็นพระนักเลงสองเป็นพระการเมืองสามเป็นพิขุรานิกคือพระพ่อขา เพราะว่าปีนี้ซื้อข้าวสารถึงร้อยเปืียบซื้อเครื่องรองสีมาซื้อข้าวมาสีด้วยแต่แต่สองอย่างนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลืคอคนยากจนในทินทุรกันดาลเพราะว่าถ้าจะไปสีข้าวเราก็ขาดทุนมากหบร้อยตำรวตรีน่ารง ซึมีรงสีเล็กเหมือนกันบอกว่าถ้าข้าวดีเครื่องสีปรปเกล็ดนีจะสีได้ถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ถ้าเราไปสีถ้าลงสีบอกว่าจะให้สี่สิบเปอร์เซนตทั้งปลายและลำเขาก็ไปด้วยแถมว่าเนื้อข้าวลงกฟางของเราไปอีกอีก่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ข้าวของเราดีรวมความว่าข้าวร้อยเกล็ด น, นี้เราก็ต้องเสียเงินเปล่าไปสองแสนบาทเส็ ฉะนั้นยิ่งได้ตัดสินใจซื้อเครื่องสีข้าวที่เองดีกว่าซึ่งราคาประมาณราคาสี่หมืนห้าพันบาทแล้วระยะต่อเติมกันบ้างทำไรกันบ้างก็ไม่เกินห้ามื่นถ้ามาอาคารขึ้นมาหลังหนึ่งราคาก็ไม่เกินสาม0มื่นบาทคิดจะเรลียนแล้วทั้งเครื่องสีข้าวแล้วก็อาคารยังไม่ถึงแสน ถ้าได้ว่าข้าวหนึ่งเกวียนถ้าเราจะไปสีที่โรงสีเราต้องสูญเสียผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้ถึงสองแสนบาทเศษอันนี้ยอมไม่ได้ใครจะนินทาว่าร้ายยังไงก็ช่างขอย้อนหลังกลับมาคุยกันใหม่เมื่อถึงท่าเจ้าของบ้านก็ใอ้โอกาสจะท่องไปวิเศษคิดไม่ถึง ว่าจะมีความสุขความสบายแค่นี้เราใช้เวลาพักกันถึงสองคืนอันยัของบ้านบอกว่าน้อยไปแต่ว่าปีหน้าจะมากันใหม่เมื่อท่านจัดทหารรับรองเราดีวันรุ่งขึ้นก็ไปเที่ยวที่น้ำตกค้อยอยางกระแสน้ำตกค้อยอยางนี่คุณจะเรียกว่าน้ำไหลเพราะว่าประวัติศาสตร์เดิมสูญสลายไป เรื่อ ว, ว่าเรารู้ความลับพ่อเคยย่องเข้าไปในห็นสมบัติมากตอนกลางคืนี่วดาบอกว่าถ้ามีคนพบก็ต้องปิดหินเลยพังทนลายมาทับอ่างน้ำจนหมดภาพเดิมทีเดียวสวยสดงดงามดีมากเป็นหน้าทัศนารลมเป็นหน้าขึ่ในใจคนทางที่เดินทางเข้าไปพระบาทสมเด็จทีะเจ้าย่หัก็ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่ว่าทางสั้นนิดเดียวหน้าเส้นใดที่ทางจังหวัดก็มีส่วนควรจะทำเป็นทางลูกรังไปนานแล้วพอพบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ทํานี้ถ้านี้พอพบมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าห้าร้อยเจ็ดจะห้าร้แปดพบมาตั้งแต่ปีนั้นจะทำทางทําก่อน แต่ว่าดูเหมือนว่าไม่มีใครจะซ่อมจะแซมเลยนี่ก็น่าคิดถ้าทำให้ดีที่นี้จะเรียกทัศนาจรมาเที่ยวได้มากทางระยะทางไม่เกินเจ็ดกิกโลน่าจะทำได้แต่ก็แปลกใจวิภาระชิตของทางบ้านเมืองท่านมากจริงๆเมื่อเห็นกระแสน้ำไหลตลอดน้ำไห ล, ล, ไหลแรงเป็นทางออกมาเขาสามารถทำปราปลาไปใช้ที่โนยางได้ แต่เท่าว่าไม่มีใครคิดว่าจะนํำทางน้ําไปเป็นประโยชน์เขาเลือกันว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขายแคลนน้ําแต่ว่าเราจะใช้ปัญญาโบราณสมัยคุณปู่แล้วปู่เขาคุณปูป่โปู่เขาคุณปู่เขาหลวงพ่อเอามาใช้น้ํานี่จะเป็นประโยชน์ใหญ่โดยขุดสะใหญ่ไว้แล้วก็เก็บน้ําไม่ไหลลงทะเลไปเฉย แล้วก็จะจ่ายไปใช้ที่ไหนก็จ่ายไปได้ตามอธิยาสัยเรื่องนี้ก็ขอยกไว้เพราะว่าปาริญญาส า, าวัตไม่มีความหมายเปน็นอันว่าเมื่อไปนั่งชมน้ำตกความจริงแล้วก็ชมประวัติกันมากกว่าก็มีโอกาสคุยประวัติกันต่างๆนานาไปบไปไปมา ท่านอินทจักรก็ย่องมาข้างหลังบอกว่าทองที่เห็นทรัพย์สินที่เห็นมันยังเป็นของน้อยเพราะว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ที่จะทรงมาใช้สอยแต่ว่าทองแท่งสำรองในการใช้ใจ่ายเข้าไปในหลืบถ้ำเดินไปด้านทิศตะวันตก แล้วก็จะมีช่องไม่กว้างนักแต่ก็กว้างพอที่จะสี่คนลอดได้ถ้าไปแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาทางทิตตะวันออกหน่อยหนึ่งเลี้ยวไปทางทิตใต้จะเจอถ้าใหญ่ถ้าหนึ่งในนั้นจะมีทองคํามหาสารเป็นทองคําแท่งไม่ใช่ทองธรรมชาติเป็นทองที่เจ้าหน้าที่เอาไปฝังไว้ไปเก็บไว้ ถ้าว่าสมัยนั้นถูกกองทัพนะครศรีธรรมราชยกขึ้นเป็นยึดกุยบุรีกุยบุรีก็เป็นเมืองหลวงเมืองหนึง่งมีเขาสามร้อยยอดเป็นที่ทัศนาจรน่าชมแต่เขานี้หมายว่น่าจะมีประวัติเหมือนกันเดิมทีก็เรืเขาสามร้อยยอดคําว่าประวัตินีคนคุณจะถือว่าเป็นนิยายแตก็เป็นอิทานดีกว่า คุยไปคุยมาท่านกบอกว่าที่ตรงนั่งตรงนี้ก็มีวัตทองคําธรรมชาติอยู่มากเป็นอันว่าเวลานั้นวันนั้นเรามีโอกาสดีมีโชคดีเพราะว่าเราสามารถนั่งอยู่บนทองคําซึ่งมีน้ําหนักนับเป็นสิบสิ บ, สบตันแปลว่าการจะหาทองคําจากที่บอกแบบนั้น มันก็เป็นเรื่องอศัศจรรย์ใหญ่จะต้องมีความรู้ดีเรื่องนี้จริงจะได้ีิฉันนั่นจะเห็นทองคำเป็นไม่กรวจธรรมดาธรรมดาไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นภาพลวงตาว่า น, นั่นฝนตกหลังจากชมหลังจากชมน้ำตามตกห้ อ, อย่าาแล้วก็เดินทางกลับ เดินทางกลับปลากรูเปี๊ยกจะต้องกลับในวันนั้นท่านจะคุณมาสู่สิงหน่านากับท่านคุณเรืองรัศมีรับหน้าที่เอารถไปส่งเพี๊ยกขึ้นรถทัวร์แต่ปรากฏว่ารถรถก ร, ระบวนรถออกไปแลถถ้วรถทัวร์ออกตอนเด็กจึงต้องกลับมารวมกันใหม่เวลานั้นวันนั้นก็เดินทางเข้าจังหวัดปัตจบริมกันเพื่อซื้อพลาสติกเข้ามาหอของ ที่จะนำไปแจกทหารตำรวจและประชาชนภายในภาคใต้หลังจากการสื้อเสร็จก็เดินทางกลับนับตั้งแต่วันต้นที่เข้าไปถึงก็มีญาติโยมพุทธบริษัททั้งค้าการพ่อข้ากาบดีมาตั้งแต่คลองวานอำเภอจังหวัดตจวกแล้วก็อำเภอทับสะแกท่านมาก็ด้วยศรัทธาแท้มีเจ้าของโรงเลือยโรงไม้ก็มาด้วย รู้สึกว่าน่าชื่นใจกับผนันหลายที่มีเจตนาเป็นกุศลทุกคนมาก็องความระเบียบเรียบร้อยเป็นอันดีจะหาคนในแปลกถิ่นที่ไปใหม่ๆเรียบร้อยอย่างนี้เป็นของหายากแต่ก็พอคืนที่สองรายกฏว่าคนมากกว่านั้นมากน่งขนาดบ้านไม่ขอพัก เม่อขึ้นหลังนี้รู้สึกว่าบรรดาท่านโคตบริษฐ์รู้ข่าวเข้าแล้วก็ บ, บริจาคเงินร่วมบําเพ็ญกุศลโดยสเสด็จพระราชบุตรสนและพระบาทสเสด็จพร่เยรีขวานเนื่งในสวนคนสงฆ์พระโพย่าชนในถินทุระกันดานที่พ่อเป็นผู้จัดการอยู่ขึ้นหลังนี้ได้เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทขึ้นก่อนได้รับเงินสองพันสองร้อยบาทเสร็พ่อไม่ได้นำเอาตัวเลขมา ยังจําไม่ได้ว่าเสียเท่าไรแม่ตอนเช้าเราจะต้องเดินทางกันต่อไปไปจังหวัดกระบี่แต่ปลายกฎว่าในตอนเช้าพ่อไปข้างนอกท่านพันตำรวจเอกเล็กเล็กฟอร์ดตี้บอกว่าเชื่อใจเหลือเกินลูกๆกของลุงพ่อในดีทุกคนมีความกระยันหมั่นเพียรมีความระเบียบเรียบร้อยทุกอย่าง ไม่มีบุคคลใดทำาจะทําให้สะดุดตาสะดุดใจเข้าของเก็บกันตสมอดกวาถูเช็ดถูกันท่านยังบอกว่าพื้นนี่เขาว่าถูว่าจะนลื่นยิ่งนังบอกก็าบอกว่าอย่าถูให้มันลื่นนักสองคนตายายแก่แล้วเดี๋ยวจะล้มลงไปถ้านะท่านก็ บ, บอกว่าถ้าดีเรียบร้อยแบบนี้จะมากันสักเท่าไหร่ที่บ้านนี้ก็ไม่ทอ้อ ร้อมรับเสมอนี่แหละลูกครับเราพูดกันมาเราพูดกันไปสาระสําคัญก็อยู่ที่ตรงนี้สําหรับเทพหน้านี้เพราะว่าพาสิบโบราณเล่นับไปว่าอยู่บ้านเขาจะนิ่งดูได้จงปั้นวัวปั้นควายให้ลูกทันเล่นนี่หม้ยความว่าถ้า ง, งานนั้นมันไม่มีเราก็เล่นกับเด็ก เมื่อเด็กไม่ไปกวนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีโอกาสทำงานได้เต็มที่กันใดมันดาคณะของลูกรักทุกคนก็เช่นเดียวกันไม่ยอมนิ่งดูดายโดยช่วยทำทุกอย่างทำจนความเรียบร้อยเกิดขึ้นเป็นที่ชื่นใจของเจ้าของบ้านนี่เป็นระดับความดีที่มันดาลูกทันหลายจะ ต, ต้องจดแล้วก็จำแล้วก็เก็บไว้ในใจ รักษาไว้ด้วยดีย้าให้ความดีนี้จืดจางไปแต่ความดีนนี้เจืดจางไปเมื่อไหรแล้วก็ไปที่น่าเช่นยดาความสุขของเราจะไม่มีเป็นอน้นว่าเมืองปราณขอโพษมากกว่ครองวันให้เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราก็เจอแหล่งบ้านสําคัญพอที่จะเป็นพักอาศัยในการเดินทางสรงข้อบคุคคลผู้ยากจนต่อไป เพราะว่าท่านเจ้าของบ้านประวรณาไว้คิดว่าร้อยคนนอนอย่างพวกเรานอนทั้งสองหลังนอนร้อยคนในแบบสบายสบายเมื่อถึงเวลาตอนเช้าของวันที่ 50, 50, 7, สิบห้าสบกสิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยิบอ็คนลาท่านเจ้าของบ้านหลังจากบริโภค อ, อาหารเสร็จท่านก็นำอาหารใส่เป็นโตมนด้วย เดินทางรอนแรมกันมาตั้งแต่จังหวัดสะทูบทังสามแยกชมพรอก่อนที่จะถึงสามแยกุมพรเลยวางสะพานใหญ่เล็กน้อยเห็นแยาเป็นตลาดนักอย่าอะไรก็ไม่ทราบลืมชื่อไปแล้วเห็นปัม้มคิดว่ารถคิดว่ารถแลนด์เธอ้น้ำมันจะหมดก็เลี้ยวเข้าไปเมื่อมาถึงกันก็บอกว่าไปทูบุมพรสบายมากรับไม่ต้องเติมน้ำมัน เพราะด้วยเจ้านี่จะเล่นสองเท่าของอียี่สิบพรนิสันอียี่สิบแต่ว่ารถคันนี้จุคนได้จริงๆค่อนเบาไปมากส่วนได้ทึ้งสิบเอ็ดคนอันนี้ก็ควรจะคิดสิสสิบเอ็ดคนหรือ ว, ว่าหน้าก็จะเป็นสิบเอดคนที่ว่าต้องคิดกับว่าเป็นรถที่ท่านพลโททนทองสุวรณทัต จวรบเจ้ากรงยุทธการทหานบกแล้วก็เป็นควบโดยการสวนรวมของทหานบกทั้งเรือดัอากาศถ้าไม่ได้รถคันนี้เราก็ต้องเพิ่มรถเล็กอีกสองคันนี่แปลว่าได้รถคันนี้หนึ่งคันเท่ากับรถเล็กมาอีกสองคันเพราะว่ารถเล็กของเราบรรจุคนได้คันละห้าคนสองคันก็สิบคน รถคันนี้คันเดียวได้สิเอ็ดคนเป็นอนุวาเราโชคดีเพราะความเมตตาของท่านฉะนนขอบัรดาลูกๆรักคันหลายจงยจลิวความดีของท่านผูนิเียถ้าว่าท่านมีความประสงค์สี่งใดถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของเราขอให้ตอบสนองทันทีเมื่อเติมน้ำมันเข้าห้องส่งหัวน้ำกันดินแล้วก็เดินทางต่อไปที่าสามแยกชมพร กบดีพบท่านหม่อมหลวงวรวัดรผู้โดยการลงไฟฟ้าฝ่ายผิดปักใส้ท่านประจำอยู่ที่กะบีเรอรับอยู่พอดีรถทุกคันเติมน้ำมันเสร็จก็เดินทา ง, ทางตามทั้นต่อมาเพื่อไปบริโภคอาหารเครื่องวนันที่ตลาดอำเภอหลังสวนตอนนี้รถเดินทางมาด้ดีแต่เท่าว่าเป็นเสียงที่น่าคิด เข้าไปบริโภคร้านอาหารปรายกดว่าในร้านนั้นมีสามเจ้าทําขาดอาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ท่านผู้ค้าขา ย, ขาขายโกรธและไม่ยอกพูดกันซื้อของจากคนโน้นแล้วจะมานั่งที่โต๊ะคนนี้นิ่นั่งไม่ได้ต้องไปนั่งโต๊ะคนโน้นเพื่ออะไรไหนแล่นก็ต้องกินตามช่องของรานนั้นข้าวผิดช่องไม่ได้ เป็นนั้นว่าอาหารวันนั้นบริโภคกันอร่อยตามสมควรเพราะว่าเราไปกระชั้นเวลาไม่มีเวลาเลือกแต่ก็เห็นว่าจะเป็นร้านที่ดีที่สุดเพราะว่าท่านหมองง่อมหลวงวรวัตรท่านเป็นผู้นาเข้าไปเมื่อบริโภคอาหารเสร็จก็เดินทางออกจากตลาดล้างศนมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุรา ธ, ธานีในระหว่างทางรถคันหน้าเกือบชนเด็ก เขาแม่จะมาลูกมาเดินข้ามถนนเห็นรถมาเร็วแกก็วิ่งข้ามถนนปล่อยทิ้งเด็กไว้ถ้ารถกข้ามาหลงววัดประเวศไม่ทันหยุดไม่ทันในเวลานั้นเด็กคนนั้นก็จะต้องตายนี่จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดร้ายที่ลูกคนจะตัดทิ้งไปเป็นพ่อคนแม่คนน่าจะมีความรอบขอบรถไม่วิ่งมาติดติกันอย่างในกรุงเทพ นานๆจะมีสักขันทำไมจะต้องไปตัดนารถคนประเภทนี้ถ้าเขาตายเขาก็ไม่ตายคนเดียวเขาก็จะต้องเอาเจ้าของรถในาตายไปด้วยเพื่อช่วยแช้เงินทําศพค่าเสียหายอาจจะต้องเสียเงินค่าเลี้ยง ด, ลลดูลูกคดีเกิดเพราะโลกขยันเล็กที่ระวันดา ล, ลูลกรักพระพุทธเจ้ากล่าวว่านัทแก บกคนผู้จะทําอะไรก็ตามให้ใข้คนใช่ก่อนถ้าไม่ใข้คนก่อนคนร้ายมีได้เกิดขึนอย่างไม่ของโลกคนนั้นตัวเอาตัวเองรอดได้แต่ถา้าปล่อยโห้นน้อยจะให้ทดทับสายหน้าเกลียดไหมสําหรับเทพหน้านี้ก็หมดเป็นธรรมนีพรอขอยุติเป็นธรรมนีเวลานี้จับนาฬิกาขึ้นมันดูใหเวลาสองนาฬิกาคนนี้เห็นว่าควรจะพักผ่อนขอบรรดาลโลกรักทั่นไหล ีมีความเคารพใน อ, องค์สมเด็จพระปฐมินวร์วรบรมศาสันดาสมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามรักษาความดีที่พระพุทธเจ้าให้ไวพวกเราทั้งหมดจะไม่มีการถอยหลังยังไม่ถึงผลิภานเพียงใดคำว่าจนก็ไม่มีแต่ว่าชาตินี้หลายชาติที่คนเ็าไม่ต้องการสมัครสมัครกลับเป็นลายเลยเป็นหนึ่งนาทีแล้วพอลาก่อนก็ความสักดสิิ์ที่พัฒนามคล สมบูรณควผลจะมีแดบันดาโลรูลูทุกคนสวัสดี